วาจาพูดจะน่าฟังทานทานทานคือการให้นาะพิยวาจาพูดจาน่าฟังมี า ท, าทานทานทานคือการให้นาพิยะวาจาผู้จานาฟังมีสิ่งของควรแบ่งปันให้และโปรดใช้คำพูดอ่อนหวานมีสิ่งของควรแบ่งปันให้และโปรดใช้คำพูดดีดีอัตถจริยาและสมานะ ตัวเราให้เป็นประโยชน์แลโปรดวางต้นให้เหมาะสมทําตัวเราให้เป็นประโยชน์ทานทานทานคือการให้หนาเพียะวาจาพูดจาน่าฟังทานทาน วาจาบูจาหน่าฟังมีสิ่งของควรแบ่งปันให้และโปรดใช้คำพูดอ่อนหวานมีสิ่งของควรแบ่งปันให้และโปรดใช้คำพูดที่ดี แลโปรดวางตนให้เหมาะสมทานทานทา น, ทา น, ทานทคือการให้นาเปียววาจ่าผู้จาน่าฟังทานทานทา น, ทานทคือการให้นาเปียววาจ่าผู้จานา